สังเกตข้อวัดปฏิบัติทุกคนมาปฏิบัติต่อตัวเองข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นงานของตัวเองเพื่อความดีสาหรับเราเองอย่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นวัดของผู้นั้นผู้นี้ข้อวัดปฏิบัติเป็นขององค์นั้นองค์นี้วัดเป็นที่อยู่ของเราทุกคน ขวัดปฏิบัติเป็นเครื่องประดับความดีของเราทุกอย่างจึงเห็นเป็นความจําเป็นสําหรับเราทุกทุกท่านอย่าได้ประมาทในข้อวัดปฏิบตัติส่วนมากคําว่าขวัดปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับหมู่พันธุอย่าให้ ความไม่ดีของตัวเองตัวเองไปกระทบกระเทือนคนอื่นองค์อื่นให้ไม่สะดวกไม่สบายเพราะความเจ็ดท่าความอึดอาจเนื่อยนายความไม่เอาไหนและทิกฐิ ม, มานะไม่ลงกับผู้ใดนี่คือเรื่องของกิเลสอย่าเอามาขายในวงแห่งสาสนาธรรม และวงของนักบวชวงของนักปฏิบัติจะทําให้เพื่อนเสียไปด้วยนอกจากความเสียของตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องกําจัดปัดเต่าออกหมดจากกายวาจาใจความประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างของเราทั้งนั้นเรามาสู่สถานที่บําเพ็ญนับแต่ความเป็นนักบวชมาเรามาเพื่อชําระ สิ่งไม่ดีทั้งหลายไม่ใช่มาเพื่อสั่งสมเพราะฉะนั้นจงทำความรู้สึกตัวเสมอฮิริโอตตปะเป็นหลักใจของนักบวชให้สะดุง้งให้ระ ม, มัดระวังด้วยความมีสติพินิดพิจารณาด้วยปัญญาเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสัมผัสจัมพันธ์กับอะไรอะไรก็ดีจากหมูจากเพื่อนก็ดีจากครูอาจารย์ก็ดี นำเข้ามาคิดมาพินิจพิจารณาสิ่งที่ควรจะถือเป็นเยี่ยงหยาบก็ให้รีบยึดถือทันทีสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีก็เกิดขึ้นพานา จ, จิตใจให้รีบคำจัดปัดเป่าออกไปอยากให้มันเข้าใกล้คิดสนิทจะติดพันกันเข้าให้พาให้ล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้ปราศทั้งหลายไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงตาหนิ เป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วคําว่ากิเลสกิเลสคือค่าสืบของธรรมค่าสืบของความดีค่าสืบของเราไม่ใช่ค่าสืบของอะไรและคำว่ากิเลสนี้เป็นชื่อทั้งสัพทรรม์เมื่อแปลออกให้ได้ความชัดเจนก็คือสิ่งทําลายสิ่ง ร, งรังควานสิ่งไม่ดีสิ่งทํา ให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่สิ่งทำให้เกิดความสุขความเจริญราดทั้งหลายไม่เคยขัดแย้งกันตาหนิสิ่งไม่ดีทั้งหลายเป็นเสียงเดียวกันและชมเชยย ก, ยกยอสิ่งที่ดีที่เรียกว่าเป็นธรรมนั้นเป็นเสียงเดียวกันในเวลานี้พวกเราทั้งหลายมาเพื่อส่งเสริมธรรมเพื่อกาจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลาย เพิ่มสัมนึกอยู่ภ า, ายในจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ใจก่อนอื่นพอกระเรื่อมออกมาส่วนมากจะเป็นเรื่องของกิเลสออกก่อนพอเพราะกิเลสอยู่ทั้งก้นคอกอยู่ทั้งปากคอกั้นอยู่ทุกแห่งทุกหนด้่วยเยี่ยวไปหมดในสกลากายกิริยาอาการแสดงออกทุกอย่าง ด้นแล้แต่เป็นเรื่องของกิเลสแสดงออกโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะมันฝังอยู่ภายในใจิตใจกระเพื่อมก็กระเพื่อมมาจากจิตใจนั่นแหละมาทางกายทางวาจากิ ร, าริยามารยาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติสังเกตไม่มีปัญญาพิจารณาการกรองแล้วจะมีแต่กิเลสแบกแต่กิเลสนั่งอยู่ก็แบกยืนอยู่ก็แบกเดินแบกนอนแบกพูดก็แบกคิดก็แบก อาการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างแบกแต่เรื่องของกิเลสทั้งทั้งมวล ท, ทั้งทั้งที่ตนเข้าใจว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนี้เพราะความรู้รอบขอบคิดของเขาของเราไม่ทันมันมันรวดเร็วมากเคยพูดเสมอในเทปก็เต็มไปหมดในเรื่องกลมายาของกิเลสมีลักษณะอย่างไรอย่างไรได้แจกแจงออกให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้เข้าใจ ความทั้งวิธีการแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความแหลมคมแห่งธรรมมีสติทำรรปัญญาธรรมเป็นสําคัญพากันตั้งอกตั้งใจเมื่ออยู่เฉยๆเทพก็มีฟังพินิษพิจารณาส่วนที่ฟังเพื่อความสงบฟังเพื่อความแก้เพื่อความถอดถอนในปัจจุบันขณะที่ฟังก็ให้ฟังอย่างนั้น นอกจากนั้นสิ่งใดที่ตกค้างอยู่ในความทรงจำที่ควรจนําไปพินิจพิจารณาก็ให้ น, นําไปพิพนิจพิจารณาเพื่อเกิดผลจากการได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่อยไปเพราะว่าปัญญาท่านบอกแบบสามประเภทสุตตะมยะปัญญาการได้ยินได้ฟังมาพินิจพิจารณาก็เกิดปัญญาขึ้นอย่างหนึ่งยินตามยะปัญญาความคิดอ่ณาไตรตรอง ก็เกิดปัญญาขั้นหนึ่งอันดับหนึ่งแท้ๆคือภาวนามยะปัญญาอันนี้ถ้าผู้ไม่ไม่ได้เคยภาวนาจะไม่ทราบเลยว่าภาวนามยะปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปัญญาประเภทไหนเมื่อสรุปความลงเกี่ยวกับเรื่องกิเลสแล้วปัญญาประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่ถอนรากถอนโคน โคนของกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายด้วนแลแต่นาปัญญานี้ออกมาใช้ทางนั้นปัญญา ท, ทั่วไปที่เราใช้ในโลกแห่งสารเราจะได้เพียงผิวเผินผิวเผินไม่ได้มากมายอะไรมากนะักในขั้นเริ่มแรกก็จำต้องอาศัยปัญญาทา ง, ทางโลกเข้ามาเกือบมาแฝงเพราะยังไม่สามารถจะขุดค้นปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาได้ ต้องอาศัยปัญญากินตามยปัญญาสุตามยปัญญาก่อนเมื่อจิตได้เข้าทำงานเพราะได้หลักได้เกณฑ์จิตตั้งรากตั้งฐานได้เป็นตัวของตัวได้ในขั้นเริ่มแรกได้จะจิตเป็นสมาธิจิตมีมีฐานมั่นคงมีความสงบเย็นใจไม่หือโหยกับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหือโหย และสัมผัสสัมพันธ์พัวพันกันมานานและมากต่อมากนั้นสงบตัวลงไปมีทำเป็นเครื่องดื่มคือความสงบความเย็นเป็นเครื่องดื่มนี่เป็นต้นทุนที่จะให้เกิดภาวนามายปัญญาได้ถ้านําออกใช้แต่ถ้าไม่นําออกใช้ก็จะจมอยู่ในความสงบมีเท่านั้นไม่มีมากยิ่งกว่านี้คือสมาธิสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญา จะมาคุกค่าวันว่าเมื่อมีสมาธิแล้วจะปัญญาจะเกิดเองนอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากคิด ป, ปามายปัญญาหรือคิด ป, ปาพิญญาคือท่านที่เป็นคิด ป, ปาพิญญานั้นท่านสงบในเวลานั้นจิตพิ่นิสพิจงาไป ต, ตามๆกันในขณะที่ได้ยินได้ฟังนั้นนั่นมีส่วนเป็นไปได้ ทั่วๆไปแล้วสมาธิต้องเป็นสมาธิและเป็นฐานที่เป็นกําลังที่ปจะหนุนปัญญาให้ออกปินิพิน ญ, ญาได้อย่างคร่องตัวเพราะจิตขั้นนี้เป็นจิตที่อิ่มตัวในขั้นนั้งตัวเองเมื่อหิ้วหวยพาทำการทำงานคิดปินิพิรญาให้เกิดปัญญาก็เริ่มเกิดได้อันนี้ก็เริ่มเป็นภาวนามยปัญญาไปแล้ว แต่ยังไม่ใช่ภาวนาปัญญาจริงๆหากเริ่มเริ่มเป็นพิวผ้นเผลขึ้นมาแล้วจากการภาคคิดภา ค, าคนิพนพิจารณาเช่นพิจารณาร่างกายดังพระพุทธเจ้าสอนไว้เราทั้งหลายที่บวชมาไม่เคยเว้นจะเป็นรูปใดนาองค์ใดก็ตามกรรมฐานห้านั่นคืออาวุธห้าอย่างเกาโลมานขาทัตาตะโจเป็นต้นซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยที่ท่าน มอบให้ให้เหมาะกับการเวลานำไปพินิจพิจารณาคี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ผมขนเล็บฟันลงไปถึงหนังแล้วท่านดูหนังเป็นประโยชน์ใหญ่โตมากที่หุ้มห่อสกุลกายของสัตว์เป็นสัตว์หุ้มห่อสกายสกุลกายของคนเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้ชอบใจขึ้นมาเพราะหนังนี้เท่านั้ น, ท, นท่านจึงสอนไปถึงหนังหุ้มหอ่อ อยื่เนี้ยเปิดหนังออกดูพินิตพิจารณาออกดูแล้วจะสามารถซึมซาบเข้าไปสู่ภายในซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกอง อ, า, อ า, าชุพะอาุพังป่าช้าผีดิบผีแห้งเป็นอย่างนั้นหมดมีอะไรอะไรก็กองเต็มนั้นล้วนแล้วจะเป็นของปฏิกูลโสโคขึ้นั้นเมื่อปัญญาได้พินิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนมีความเคยชินมีความซึมซาบมีมีความคล่องตัว ถึงกับความซึ้งภายในจิตใจนะย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งกรรมฐานเหล่านี้มีกรรมฐานห้าเป็นต้นอย่างก็จักใจนั่นแหละที่นี่เพราะปัญญาขั้นนี้ได้อย่างถึงอาการสามสิบสองในร่างกายนี้แล้วเริ่มภาวนามายปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วที่นี่ตั้งแต่นี้หละไปด้วยภาวนามมยปัญญานี้บอกใครไม่ได้ เอ ง, งรู้จักเจ้าของผู้พิมิติจนาผู้คิดผู้ขุดค้นขึ้นมาทิพย์แทงเปลี่ยนแตงหลายสันหลายขมที่จะแก้กิเลสหึงร้อยสันพันขมคือกิเลสมีร้อยสันพันไในที่จะตลบตะแลงหลอกลวงให้เราหลงกลของมันเมื่อภาวนามายปัญญาเริ่มเกิดแล้วก็เริ่มทันกันกิเลสมันเคยออกช่องไหนเคยออกด้วยอุบายวิธีใด สติปัญญาสกัดรัดกั้นกันทันกันทันกั น, ท, น, กนที่ทางไหนค่ากันไปเรื่อยเรื่อยๆนี่แหละที่ท่านว่าภาวนามายปัญญาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบภาวนามายปัญญาได้อย่างประจักษ์ใจนอกนั้นก็จะทราบเพียงผิวเผินหรือเป็นความจําท่านมาภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาก็เพียงเท่านั้นไม่ได้ซึ้งแต่ผู้จิต ของผู้เป็นภาวนาภ า, ภาวนามยปัญญาจริงๆไม่เป็นเพียงหนึง่งนั้นซึ้งประจักษ์เห็นผลประจักษ์ทั้งกำลังวังชาของสติปัญญาประเภทนี้มีความแหลมคมขนาดไหนแล้วฟาดฟันหันแหลกกับพิเลศประเภทใดบ้างขาดจะบั้นลงไปโดยลำดับลำดา ด, ด้วยปัญญาประเภทนี้เมื่อสุดท้ายกับปัญญาประเภทนี้ก็ไหลไปเลยเป็นน้ำซับน้ำซึมนี่แหละเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ที่นี่ แต่นี้ไม่ต้องบังคับกันเป็นภาวนาเมย์ปัญญาแล้วหมุนตัวไปกัแบบทิเละกิ่เละ จ, จุดช่องไหนเหมือนกับไฟได้เชื่อเชื่อมีอยู่ที่ไหนไฟลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปตปธ ร, รรมได้แก่สติปัญญาหมุนตัวเข้าไปสังหารกิ่เละประเภทต่างๆไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายใน จ, ใจิตใจได้เลิกได้ถอนลงหมดแล้วเชื่อแห่งทุกข์ที่กลิ้งเหมือนลูกฟุตบอล คือปิ้งไปปิ้งมากิ้งไปโน้นไปนี้ปิ้งไปตามโลกสามนี่แหละภพสามนี่เองเป็นขอบเขตของจิตดวงนี้ที่ถูกปัญญามันขับใส่ให้เกิดที่นั่นที่นี่ปิ้งไปปิ้งมาก็กขาดจะบ้านอภายในจิตใจแล้วไม่กิ้งจิตบริสุทธิ์เต็มที่ ความบริสุทธิ์นั้นเห็นประจักษ์ภายในตัวเองตั้งแต่ขั้นปฏิบัติเลื่อยมายิเลศประเภทใดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาตามถันทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วสังหารกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเข้าความละเอียดสุดได้แก่ระหว่างจิตกับปัญญาวกับยิเลศประเภทละเอียดท่านเรียกว่าอาวิชชากลมคืนเปน็นอันเดียวกันสติปัญญาก็หยั่งลงได้ แทงทะลุไปได้แล้วกาจัดออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือคำว่าภาวน า, า, วนามยาปัญดาก็หมดปัญหาหน้าที่ไปเพราะฆ่าศัตรูหมดแล้วภายในจิตใจได้สังหารหมดแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีอะไรปรากฏภายในจิตเลยเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ยิ้มมุมดร้วนวนนั่นและคือผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเอาจึงเอาจัง มือการตั้งหน้าตั้งตาด้วยความเป็นผู้มุ่งมาศึกษามุ่งมาอบรมมุ่งมุ่งมาสะสางไม่ใช่มุ่งมาสั่งสมกิเลสมาสั่งสมธรรมผลจะพึงได้อย่างนี้และกรุนาอย่าได้คิดว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในสถานที่ใดที่นอกเหนือไปจากใจนี้ไม่มีใจนี้เป็นผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ ทำทุกขั้นทุกประเภทของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงมิมุติธรรมด้วยการปฏิบัติไม่มีสิ่งใดจะสัมผัสสัมผัสธรรมได้ท่านบอกธรรมมีอยู่มีอยู่เพิงทราบว่าธรรมนั้นไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมที่มาใไม่ใช่สามแดนโลกธาตุสิ่งใดแร่ธาตุใดๆทั้งสิ้นแต่ธรรมเป็นธรรมจะสัมผัสได้ภายในใจดวงเดียวนั้นนั้น ตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธรรมที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันกานั้นไดเลยดูตามมิสัยของตนท่าตามมิสัยของตนตาท่าในทางรูปหูท่าในทางเสียงเป็นต้นส่วนใจนี่พิสดารมากหูไม่เห็นหูไม่ได้ยินใจได้ยินตาไม่เห็นใจเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ใจรู้สิ่งเหล่านี้ละไม่ได้ใจละได้สามารถทุกสิ่งทุกอย่างก็คือใจ ทำทุกขั้นจะสัมผัสสัมพันติใจพร้อมเสมอที่จะเกิดขึ้นจากใจแม้แต่ขั้นหยับหยาบเราลิกถึงพุโทโธเมื่อไหร่งราเลิกดูสิอ้างการอ้างสมัยเมื่อไหร่ระเลิกพุโทโธหรือทำโมสังโฆพอเลิกก็แยบขึ้นที่ใจเลยนั่นนี่ขั้นหยับหยาบเท่านี้แล้วเลิกขึ้นปรากฏที่ใจแม่เลึกจนงันวันตายก็ไม่ปรากฏเหมือนอย่างที่ว่าธรรมมีอยู่ เราตาแล้วเกิดเกิดแล้วตาก็ไม่ปรากฏเพราะไม่ระลึกไม่บักไม่ปฏิบตัติเพื่อสัมผัสสัมพันธ์ธรรมธรรมจะมาสัมผัสสัมพันธ์กับใจของเราได้อย่างไรเพราะใจถูกกิเลสมันปิดประตูไว้ทุกดาษหาทางซึมซาตบแห่งธรรมเข้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดประตูคือใจเปิดสติเปิดปัญญาเปิดสตากลความเพียงความุสาพยายามขึ้นที่ใจทำตั้งแต่ครั้งเริ่มแรกด้วยความสงบเย็นใจจะเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจ ปัญญาได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนตํานาตามตำหนับตาํตาราหรือใครก็ตามพูดให้ฟังครัวาจาร์น้อยฟังก็ตามอันนั้นเป็นภาพความจําจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นที่ใจลิมูธหลุดพ้นที่เราเคยได้ยินตำหนับตาําราท่านสอนไว้อย่างไงตรงนั้นบรรลุที่นั่นที่นี่จะบรรลุที่ไหนเมื่อสรุปลงแล้วบรรลุที่ใจนี่เองท่านอยู่ในสถานที่นั้นท่านบรรลุที่ใจคือสถานที่ใดท่านกับรรลุที่ใจเพราะสัจธรรมอยู่ที่ใจษษษษษษกิเลสอยู่ที่ใจ ถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนที่ใจนี่เมื่อถอดถอนองค์วุ่แล้วความเมื่อยสุดก็ปรากฏขึ้นติดใจทำที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตการปรากฏขึ้นที่ใจไม่มีทางสงสัยไม่มีที่จะไปถามผู้ผหนึ่งผู้ใดเพราะทำกลับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถามใครนี่ผลแห่งการปฏิบัติขอให้ทุกท่านตั้งใจกัไปปฏิบัติทุกที่เราประกอบความภาคยนนี้เราจะไปหาเรื่องเสร็จแต่ทว่าพากให้ทุก ทำความเพียนยากทำความเพียนลําบากกิเลสนั่นหล่ะมันพาให้ทําความเพียนยากมันพาทำความเพียรลำบากมันพาให้เกียดติคร้านพาให้อ่อนแอเราอยากเข้าใจว่าทำพาให้ขี้เกียจพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เล็วไหลพาให้ทุกข์ให้ลำบากล้วนแนแต่กิเลสทั้งนั้นแต่มันไม่ได้ว่ามันพาเราให้ทุกข์ใหยากให้บากมันประโยนใส่ทำเพราะเราเคยเป็นเครื่องมือของมันมาแล้วมันก็จับโยนเรานี่เป็นเครื่องมือของมัน ไปรบกับทำทำลายทำลบล้างทำจนสูญหายไปหมดความเพียรแทนที่จะตั้งได้ก็ล้มไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีที่ควรตั้งได้ล้มไปล้มไปเพราะเราเป็นเครื่องมือของกิเลสเอาเข้าไปทำลายทำจะหมดพารันจำไว้ให้หดีนะวันนี้พูดอย่งังไ้พูดไปพูดเราเหนื่อยวันนี้ตั้งนั่นพูดเพราะไม่ได้พูดนาน